คำพีวิสุทธิมักปริเชตที่ส8ปดทิฏฐิวิสุทธินิเทศนามรูปปริกะหายานวิสุทธิใดที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าครั้นโยคาว จ, จรทำการบ่มยานของตนด้วยการเล่าเรียนและสอบถามในธรรมทั้งหลายที่เป็นภูมิแห่งวิปัสสนาปัญญาเหล่านี้โดยทางปริยัติ แล้วควรทำวิสุทธิที่เป็นรากเงาสองประการคือศีลละวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีลและจิตตะวิสุทธิความบริสุทธิ์ของจิตให้สมบูรณ์โดยทางปฏิบัินั้นศีล ส, สี่อย่างมีความสำรวมในพระปาติโมกเป็นต้นซึ่งรักษาบริสุทธิ์ดีแล้วเรียกว่าศีลละวิสุทธิ และศีลสีส่อย่างนั้นได้กล่าวไว้พิสดารแล้วในศีลานิเทศสมาบัติแปดพร้อมทั้งอุปจารสมาธิเรียกว่าจิตตะวิสุทธิแม้จิตตะวิสุทธินั้นก็กล่าวไว้พิสดารโดยอาการทุกอย่างแล้วเช่นกันในสมาธินิเทศซึ่งท่านกล่าวไว้ด้วยคำว่าจิตตะเป็นหลัก คือจิตตังปัญญัญจะภาวะยังพึงทำสมาธิจิตและอริยปัญญาให้เกิดเพราะฉะนั้นพึงทราบจิตตวิสุทธินั้นโดยในย่าซึ่งกล่าวไว้พิสดารแล้วในสมาธินิเทศนั้นเช่นกันแต่ที่กล่าวไว้ว่าวิสุทธิห้าเหล่านี้คือทิฏฐิวิสุทธิความเห็นบริสุทธิหนึ่ง กังขาวิตรณะวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยข้ามพ้นความสงสัยหนึ่งมัคคามัคคยาณัฏฐนะวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยความรู้ความเห็นว่าเป็นทางปฏิบัติถูกและทางปฏิบัติไม่ถูกหนึ่งปฏิปทายาณัฏฐนะวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยความรู้ความเห็นในการปฏิบัติถูกหนึ่งญาณัฏนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ของความรู้ความเห็นหนึ่งเป็นสรีระคือร่างกายนั้นบรรดาวิสุทธิเหล่านั้นพึงทราบว่าความเห็นนามและรูปตามเป็นจริงเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธินามรู ป, ปรวัติฐานหรือสังขารปริเชต โยคาวจจรผู้ปรารถนาจะบรรลุทิฏฐิวิสุทธินั้นถ้าเป็นสมถยานิกคือผู้มีสมถะเป็นทางดําเนินครั้นออกจากรูปาวัจราฌานและอารูปาวจราฌานฌานใดฌ า, านหนึ่งเว้นแต่ในวาสัญญาณาสัญญายาตนะแล้วก่อนอื่นพึงกำหนดองค์ทั้งหลายของฌานมีวิตกเป็นต้นและธรรมะทั้งหลายที่ประกอบด้วยองค์ของฌานนั้น เช่นเวทนาสัญญาเป็นต้นโดยลักษณะและรสคือหน้าที่เป็นต้นของธรรมะนั้นๆครั้นแล้วพึงกำหนดแม้ทั้งหมดดังกล่าวมันนั้นว่านามโดยความหมายว่าน้อมไปเพราะมุ่งหน้าน้อมไปสู่อารมณ์แต่นั้นเมื่อโยกาวจรผู้นี้แหละ จะพิจารณาดูนามนั้นให้ใกล้ชิดเข้าไปจึงติดตามดูว่านามนี้อาศัยอะไรจึงเป็นไปก็เห็นหัยาลูปคือหัวใจเป็นที่อาศัยของนามเปรียบเหมือนบุรุษเห็นงูภายในเรือนจึงติดตามมันไปก็พบที่อาศัยของมันฉะนั้นครั้นแล้วโยคาวจรผู้นั้นก็กำหนดรูป ว่าภูตรูปทั้งหลายเป็นที่อาศัยของหัตถยรูปและอุปาทายรูปทั้งหลายนอกนั้นก็อาศัยภูตารูปท่านโยคาวาจร น, นั้นกําหนดแม้ทั้งหมดนั้นว่ารูปเพราะมันเสื่อมสลายแต่นั้นก็กําหนดนามและรูปโดยสังเกตว่านามมีการน้อมไปเป็นลักษณะรูป มีการเสื่อมสลายเป็นลนักษณะดังนี้กำหนดนามและรูปทางธาตุสีสำหรับข้อนี้กรรมฐานที่ใช้เป็นอารมณ์กำหนดมีหลายอย่างตามหัวข้อที่หนึ่งถึงห้าสุดแต่โยคาวาจรจะเลือกหัวข้อใดให้ถูกแก่จริตของตน ส่วนโยคาวจรผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกะคือผู้มีวิปัสสนาเป็นทางดำเนินล้นล้ว น, วนหรือว่าผู้เป็นสมะทะญาณิกะนั้นนั่นเองกำหนดท่าสี่โดยสังเขปหรือโดยพิสดารด้วยมุกในการกำหนดท่าเหล่านั้นนั้นตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในจตุท่าววัฏฐานมุกใดมุกหนึ่ง ครั้นแล้วเมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏชัดแจ้งแก่โยคหาวจารผู้นั้นโดยรถคือหน้าที่และโดยลักษณะของมันตามเป็นจริงรูปสิบในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานก็ปรากฏโดยกายทัศกะอย่างนี้ก่อนคือธาตุสีสีหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโอชาหนึ่งชีวิตหนึ่งกายประสาทหนึ่ง แล้วรูปอีกสิบก็ปรากฏโดยภาวะทัศกะคือสิบเหมือนกายทัศกะต่างกันแต่เปลี่ยนกายประสาทเป็นภาวะคือเพศชายหรือเพศหญิงเพราะมีภาวะคือเพศอยู่ในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานนั้นเหมือนกันแล้วรูปอีกยี่สิบสคือโอชธรรมะกะรูปมีโอชะเป็นที่แปด ได้แก่ธาตุสีสีหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งและโอชะเป็นที่แปดหนึ่งซึ่งมีอาหารเป็นสมุดฐานหนึ่งโอชาธรรมกะซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานหนึ่งโอชาธรรมกะซึ่งมีจิตเป็นสมุดฐานหนึ่งรวม8ปดคูณสามเท่ากับยี่สิบสี่ก็ปรากฏในเส้นผม ซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานนั้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นรูปสี่สิบสี่สี่สิบสี่ในโกฏท ธ, ธาต์ยี่สิบสี่ซึ่งมีสมุดฐานสี่ด้วยอาการดังกล่าวนี้แต่ถ้าว่าในรูปซึ่งมีรุ ด, ดูและจิตเป็นสมุดฐานสี่อย่างเหล่านี้คือน้ำเหงื่อหนึ่งน้ำตาหนึ่ง น้ำลายหนึ่งน้ำมูกหนึ่งปรากฏรูปสิบหกสิบหโดยโอชัตธรรมกะสองส่วนในรูปซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานสี่เหล่านี้คืออาหารใหม่หนึ่งอุจจาระหนึ่งน้ำเหลืองหนึ่งน้ำมูกหนึ่งปรากฏรูปแปดแปดโดยโอชัตธรรมกะซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานแต่อย่างเดียวเท่านั้น ด้วยประการชนนี้นี้เป็นนัยยะแห่งการกำหนดรูปในอาการ32ก่อนแต่เมื่ออาการ32นี้ปรากฏชัดแจ้งแล้วอาการอีกสิบอย่างก็ปรากฏชัดแจ้งในอาการสิบอย่างนั้นในส่วนที่เป็นความร้อนคือเตโช อันเกิดแต่กรรมซึ่งเป็นเครื่องย่อยอาหารที่กินเข้าไปเป็นต้นปรากฏรูปเก้าคือโอชัธรรมกะแปดและชีวิตหนึ่งในส่วนที่เป็นลมอสซาสะปัสสาสะอันเกิดแต่จิตก็ปรากฏรูปเก้าเหมือนกันคือโอชัตธรรมกะแปดและเสียงหนึ่งแต่ในส่วนที่เหลืออีกแปด ซึ่งมีสมุดฐานสี่ปรากฏรูปเป็นสามสิบสามสาสิบสามคือชีวิ ต, ตนาวกะเก้าและโอชัตรธรรมกะแปดอีกสามรวมเก้าบวกยี่สิบสี่เท่ากับสามสิบสามเมื่อภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหลายเหล่านี้เกิดปรากฏแกโยคาวจจรผู้นั้นด้วยอาการสี่สิบสอง โดยพิสดารด้วยประการดังกล่าวนี้รูปทั้งหลายอีกหกสิบคือจากขุ่ทัศกะห้าเป็นต้นและหัตยวัตถุทัศกะก็เป็นรูปที่ปรากฏโดยวัตถุลัทธวานด้วยโยคาวจจรผู้นั้นครั้นรวมรูปแม้ทั้งหมดเหล่านั้นเข้าเป็นอันเดียวกันโดยลักษณะคือความเสื่อมสลายก็เห็นว่านี่คือรูป เมื่อโยคาวาจร น, นั้นกำหนดเห็นรูปอย่างนี้แล้วอรูปรธรรมทั้งหลายก็ปรากฏทางทวารอารูปรธรรมนี้คืออะไรบ้างคือโลกิยาจิต8ปเอดได้แก่ปัญจวิญญาณสองมโนธาตุสามและมโนวิญญาณธาตุ8รวมเป็น8ปบเอ็ดและเจตสิกเจเหล่านี้คือผัสสะ เวทนาสัญญาเจตนาชีวิตจิตตทิฏฐิและมนานสิการซึ่งเกิดร่วมกับโลกิยจิตเหล่านั้นโดยไม่แตกต่างกันแต่เป็นโลกุตระจิตทั้งหลายไม่ไปสู่การกําหนดรู้แกโยคาวจรผู้เป็นสุทธวิปัสสกะคือผู้บําเพ็ญวิปัสนาล้วนและแกโยคาวจรผู้เป็นสมัตยานิกะ เพราะยังมิได้บรลุโลกุตระจิตเหล่านั้นโยคาวะจรผู้นั้นรันรวมอรูปธรรมแม้ทั้งหมดเหล่านั้นเข้าเป็นอันเดียวกันโดยลักษณะคือความน้อมไปก็เห็นว่านี่คือนามโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปโดยพิสดารด้วยการกำหนดท่าสีเป็นหลักด้วยอาการดังกล่าวนี้ กำหนดนามและรูปทางธาตุสิบปดโยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปด้วยธาตุสิบปดกำหนดอย่างไรคือภิกษุในพระศาสนานี้คำานึงถึงธาตุทั้งหลายว่าในอัตภาพนี้มีจักขุูธาตุรูปธาตุจักรุ่วิญญาณธาตุมีโสตธ า, าตุสัทธาธาตุ โสตวิญญาณธาตุจนถึงมีมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุดังนี้แล้วไม่ยึดถือก้อนเนื้อที่สายเอ็นรึงรัดไว้ในเบ้าตารูปยาวและกว้างวิจิตด้วยวงสีขาวสีดำและสีดำมากซึ่งชาวโลกหมายรู้กันว่าจักขุแต่กำหนดเอาจักขุปประสาสต์มีประการดังกล่าวแล้ว ในอุปาทายรูปทั้งหลายในคันทะนิเทศว่าจากขุทตาส่วนรูปห้าสิบสามนอกนั้นซึ่งมีอยู่ดังนี้คือสหาชาตรูปเก้าได้แก่ธาตุสี่อันเป็นที่อาศัยของจักรคุป拉萨าานั้นกับรูปคือสีกลิ่นรสและโอชารวมอีกสี่ อันเป็นรูปบริวารและชีวิตตินซีเป็นรูปอนุบาลอีกหนึ่งกรรมชรูปยี่สิบโดยเป็นกายทัศกะและภาวะทศกะซึ่งอยู่ในจักรุปราศาสนั้นนั่นเองกับทั้งอนุปาทินรูป24โดยเป็นโอชธรรมกะรูป8ทั้งสมีโอชธรรมกะ ซึ่งมีอาหารเป็นสมุดฐานเป็นต้นจึงรวมเป็นห้าสิบสามโยคาวจรก็ไม่กำหนดเอารูปห้าบสามเหล่านั้นว่าจกขูทธาตุถึงแม้ในธาตุทั้งหลายมีโสตธาตุเป็นต้นก็มีในยะนี้ส่วนในกายธาตุมีเหลืออยู่ส3บสามรูปแต่แกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่ามีสี่สิบห้า เพราะทำรูปซึ่งมีร ด, ดูและจิตเป็นสมุดฐานให้เป็นหมวดละเก้าด้วยการเพิ่มสัทธะเข้าอีกหมวดละหนึ่งรูปสิบได้แก่ประสาทห้าเหล่านี้และรูปหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งผดทพะหนึ่งรวมห้าอันเป็นวิสัยของประสาทเหล่านั้นเป็นธาตุสิบในธาตุสิบแปด รูปทั้งหลายนอกนั้นเป็นธรรมธาตุอย่างเดียวส่วนปัญจวิญญาณสองเช่นที่กล่าวอย่างนี้ว่าจิตซึ่งอาศัยจักขุแล้วปรากฏรูปเป็นไปเรียกว่าจักขูวิญญาณธาตุดังนี้เป็นวิญญาณธาตุห้ามโนาธาตุจิตสามเป็นมโนาธาตุอันเดียวมโนวิญญาณธาตุจิตหกสิบแปด เป็นมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียวรวมทั้งหมดเป็นธาสิบแปดด้วยประการชนี้โลกียะจิตแม้ทั้งหมดแปดสิบเอ็ดเป็นวิญญาณธาตุเจ็ดธรรมะทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยวิญญาณธาตุเจ็ดนั้นเป็นธรรมธาตุชนี้ในธาตุสิบแปดนี้ ธาตุสิบกับครึ่งเป็นรูปธาตุอีกเจ็ดกับครึ่งเป็นนามรวมเป็นธาตุสิบแปดชะนีลโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปด้วยธาตุสิบแปดด้วยอาการดังกล่าวนี้กำหนดนามและรูปทางอายตนะสิบสอง โยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปด้วยอายตนะ12กำหนดอย่างไรโยคาวจรผู้นั้นเว้นรูป53ตามในยะที่กล่าวแล้วในตอนว่าด้วยจักขูธาตุนั่นแลแล้วกำหนดเพียงจักขูประสาทว่าจักขายตนะและกำหนดโสตธาตุขานาทธาตุจิวหาธาตุและกายธ า, าตุ ตามในยะที่กล่าวแล้วในตอนว่าด้วยจักขู่ท่านนั้นเช่นกันว่าโสตายตนะว่าคานายตนะว่าชิวหายตนะว่ากายายตนะกาหนดธรรมห้าซึ่งเป็นวิสัยของอายตนะเหล่านั้นว่ารูปายตนะว่าสัธายตนะว่าขันธายตนะว่ารัายตนะ ว่าโพดทัทพายตนากำหนดโลกิญาจิตและวิญญาณธาตุเจ็ดว่ามานายตนากำหนดธรรมะทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้นซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณธาตุและรูปนอกนั้นว่าธรรมายตนาในอายตนาสิบสองนี้โยคาวาจรกำหนดอายตนาสิบ กับครึ่งว่ารูปกำหนดอายตนะหนึ่งกับครึ่งว่านามด้วยประการดังกล่าวนี้โยคาวจจรผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปด้วยอายตนะสิบสองด้วยอาการดังกล่าวนี้กำหนดนามและรูปทางขันห้า โยคาวจออีกผู้หนึ่งกำหนดย่นย่อกว่านั้นคือกำหนดทางขันห้ากำหนดอย่างไรภิกษุในพระศาสนานี้กำหนดรูป27สคือรูปส7เจ็ดในสรีรากายนี้ได้แก่ธาตุสีซึ่งมีสมุทรฐานสีและสีหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโอชาหนึ่งซึ่งอาศัยธาตุสีนั้น กับประสาทห้ามีจักขุประสาทเป็นต้นแล้ววัตถุรูปคือหัตยวัตถุหนึ่งภาวะคือเพศหนึ่งชีวิตตินซีหนึ่งเสียงซึ่งมีสมุดฐานสองหนึ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นรูปแท้เป็นรูปสำเร็จควรแก่การกำหนดส่วนรูปอีกสิบคือกายวิญญัตเคลื่อนไหวกายหนึ่ง วจีวิญญัตเคลื่อนไหววาจาหนึ่งอากาศสธทธ้านช่องว่างหนึ่งความเบาและหุตาของรูปหนึ่งความอ่อนมุทุตาของรูปหนึ่งความควรแก่การงานกับมัญญตาของรูปหนึ่งความเติบโตของรูปหนึ่งความสืบต่อของรูปหนึ่งความชราหนึ่งความไม่เที่ยงหนึ่ง เหล่านี้ม่ใช่รูปแท้ไม่ใช่รูปสาเร็จเป็นแต่เพียงอาการวิกาลและขอบเขตในระหว่างของรูปไม่ควรแก่การกำหนดแม้กระนั้นก็นับว่ารูปโดยเพียงแต่เป็นอาการวิกาลและขอบเขตในระหว่างของรูปทั้งหลายกำหนดรูปแม้ทั้งหมดเหล่านี้ว่ารูปประคัน ด้วยประการชนนี้กำหนดเวทนาซึ่งเกิดร่วมกับโลกิยาจิตแปดสิบเอ็ดวงว่าเวทนาขันกำหนดสัญญาซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยโลกิยาจิตนั้นว่าสัญญาขันกำหนดสังขารทั้งหลายซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยโลกิยาจิตนั้นว่าสังขารขันกำหนดวิญญาณว่า ญญาณันโยคาวจรกำหนดรูปขันว่ารูปกำหนดขันสี่ที่ไม่มีรูปว่านามด้วยประการชนนี้โยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปโดยทางขันห้าด้วยอาการดังกล่าวนี้ กำหนดรูปให้อารูปปรากฏแต่หากว่าเมื่อโยคาวจรผู้นั้นกำหนดรูปโดยมุกนั้นๆแล้วกำหนดอารูปคือนามอยู่แต่อารูปยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะอารูปเป็นของละเอียดอ่อนโยคาวจรผู้นั้นมีควรละเลิกกำหนดเสียควรพิจารณาใส่ใจใคร้ครวนกำหนดรูปนั่นแหละ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่ารูปของโยคาวจรนั้นที่ชำระล้างดีแล้วสะสางออกแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วด้วยอาการใดๆสิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายซึ่งมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเองด้วยอาการนั้นๆโดยแท้เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มีดวงตาเมื่อมองดูเงาหน้าในกระจกที่มัว เงาก็จะไม่ปรากฏบุรุษผู้นั้นไม่คิดว่าเงาไม่ปรากฏแล้วทิ้งกระจกไปเสียแต่เช็ดถูกระจกนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อกระจกใสบริสุทธิ์แล้วเงาหน้าของบุรุษผู้นั้นก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยแท้ฉันใดอันหนึ่งบุรุษผู้มีความต้องการน้ำมันงาเอามาเล็ดงาโรยลงไปในชามอ่าง แล้วเอาน้ำประพรมลงไปเมื่อน้ำมันงายังไม่ไหลออกมาเพราะบีบคั้นเพียงครั้งสองครั้งไม่ทิ้งเมล็ดงาเสียเอาน้ำอุ่นประพรมลงไปแล้วนวดเค้นบีบคั้นอยู่บ่อยเมื่อบุรุษผู้นั้นทำอยู่อย่างนี้น้ำมันงาที่ใสดีก็ไหลออกมาโดยแท้แลฉันใดก็หรือบุรุษ ผู้ต้องการทำให้น้ำใสจึงหยิบเอาเมล็ดกะตกะแล้วหย่อนมือลงไปในหม้อน้ำเมื่อน้ำยังไม่ใสด้วยการถูไปถูมาเพียงครั้งสองครั้งก็ไม่ยนเมล็กกะตกะทิ้งเสียคงถูเมล็กกตกะนั้นล้เล่าเล่ า, เ, ลาเมื่อบรรุษนั้นทำอยู่อย่างนี้โคลนตมก็จะจมลงน้ำก็ใสสะอาดโดยแท้แลชันใด สำหรับเมล็ดกะตะกะบางฉบับเป็นกะตุกะโบราณแปลว่าไม้ตุมกาและอธิบายว่าเมล็ดของไม้ชนิดนี้ใช้ทำให้น้ำใสและเป็นประโยชน์ในทางเพสัชพระภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเช่นกันไม่ควรทอธุระคือเลิกปฏิบัติเสีย ควรพิจารณาใส่ใจใคร้ครวนกำหนดรูปนั่นแหละซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะว่ารูปของโยคาวจร น, นั้นจะเป็นสิ่งที่ชำระล้างดีแล้วสะสางออกแล้วบริสุทธิ์ดีแล้วโดยอาการใดๆบรรดากิเลสทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อการกำหนดรู้ารูปนั้นก็สงบลงด้วยอาการนั้นๆจิตของโยคาวจร น, นั้นก็จะผ่องใส เหมือนน้ำที่อยู่เบื้องบนโคลนตมอรูปธรรม ท, ทั้งหลายที่มีรูปนั้นเป็นอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเองแลอธิบายดังกล่าวนี้ควรขยายความด้วยอุ ป, ปมาทั้งหลายแม้อย่างอื่นเช่นการหีบอ้อยการทรมานโจรการฝึกโคการเคี่ยวน้ำส้มและการปิ้งปลาเป็นต้นโดยอาการดังกล่าวนี้ ทางผัสสะแต่เมื่อโยคาวจรผู้นั้นซึ่งกำหนดรูปบริสุทธิ์ดีอย่างนี้แล้วสิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายจะปรากฏขึ้นโดยอาการสามทางคือทางผัสสะหรือทางเวทนาหรือทางวิญญาณปรากฏขึ้นอย่างไรก่อนอื่นเมื่อโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลาย โดยนัยยะเป็นต้นว่าธาตุดินมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่ภัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้นมาก่อนแล้วเวทนาซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยพัสสนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นสัญญาคือสัญญาขันก็ปรากฏขึ้นเจตนาร่วมกับผัสสะคือสังขารขันก็ปรากฏขึ้น แล้วจิตคือวิญญาณขันธ์ก็ปรากฏขึ้นอันหนึ่งเมื่อโยคาวจรนั้นกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในยะเป็นต้นว่าธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะค้นแข็งดังนี้อยู่ผัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้นมาก่อนแล้วเวทนาซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยผัสสะนั้นคือเวทนาขันธ์ ก็ปรากฏขึ้นโดยในยะเดียวกันเมื่อกําหนดว่าธาตุดินในอัศสาสะและปัสสาสะคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมีลักษณะค้นแข็งดังนี้อยู่ปัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้นมาก่อนแล้วเวทนาซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยปัสสะนั้นคือเวทนาก็ปรากฏขึ้นตลอดจนจิตคือวิญญาณขันธ ก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางภัสสะด้วยอาการอย่างนี้ทางเวทนาเมื่อโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดท่าทั้งหลายโดยในยะเป็นต้นว่า ธาตุดินมีลักษณะค้นแข็งดังนี้อยู่เวทนาซึ่งสวยรสคือสุขทุกข์อุเบกขาของธาตุนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นสัญญาซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยเวทนาขันคือสัญญาขันก็ปรากฏขึ้นผัสสะและเจตนาซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยเวทนานั้นคือสังขารขันก็ปรากฏขึ้น จิต ท, ที่สัมปยุทธ์ด้วยเวทนานั้นคือวิญญาณขันธ์ก็ปรากฏขึ้นอันหนึ่งเมื่อโยกาวจรนั้นกำหนดธาตุทั้งหลายโดยในยะเป็นต้นว่าธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่ก็จะปรากฏโดยในยะเดียวกันจนถึงเมื่อกำหนดว่าธาตุดินในลมอสาสะปัาสสาะ มีลักษณะค้นแข็งดังนี้อยู่เวทนาซึ่งเสวยรสคือสุขทุกอุเบกขาของธาตุนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นตลอดจนจิตซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยเวทนานั้นคือวิญญาณขันก็ปรากฏขึ้นโดยในยะเดียวกันสิ่งที่อรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางเวทนาด้วยอาการอย่างนี้ ทางวิญญาณเมื่อโยคาวจีอีกผู้หนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยนัยยะเป็นต้นว่าธาตุดินมีลักษณะข้นแข็งดังนี้อยู่วิญญาณซึ่งเจาะจงรู้อารมณ์คือวิญญาณขันก็ปรากฏขึ้นเวทนาที่สัมปยุตด้วยวิญญาณ น, นั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้น สัญญาคือสัญญาขันก็ปรากฏขึ้นผัสสะและเจตนาคือสังขารขันก็ปรากฏขึ้นอนหนึ่งเมื่อโยคาวจรกำหนดอยู่ว่าธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะค้นแข็งดังนี้ตลอดจนกำหนดอยู่ว่าธาตุดินในลมอสาาสาาัสสะปัสสะมีลักษณะค้นแข็งดังนี้อยู่ วิญญาณซึ่งเจาะจงรู้อารมณ์คือวิญญาณขันก็ปรากฏขึ้นเวทนาที่สัมปยุต ด, ด้วยวิญญาณนั้นคือเวทนาขันก็ปรากฏขึ้นสัญญาคือสัญญาขันก็ปรากฏขึ้นผัสสะและเจตนาคือสังขารขันก็ปรากฏขึ้นสิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางวิญญาณด้วยอาการอย่างนี้แหล โยคาวจรพึงดำเนินตามการจำแนกโดยในยะทุกอย่างแล้วประกอบความในส่วนของท่าสี่สองคืออาการ32ในกายกับลักษณะของไฟสและลักษณะของลมหกโดยในยะเป็นต้นว่าา่าดินในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุดฐานมีลักษณะค้นแข็งและประกอบความในมุกของการกำหนดรูปนอกจากนี้ มีจากขูธาตุโสตานะเป็นต้นด้วยการประกอบเข้าโดยธาตุสี่ถึงห้าแต่ละธาตุแต่ละธาตุโดยอุบายอย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วนี้อันหนึ่งเพราะว่าเมื่อโยคาวจรผู้นั้นกำหนดรูปอันบริสุทธิ์สะอาดดีอยู่อย่างนั้นนั่นเองสิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายจึงปรากฏขึ้นมาโดยอาการสามทาง เพราะฉะนั้นโยคาวจรพึงทำโยคะคือเพียรภาวนาในการกำหนดสิ่งที่เป็นอรูปด้วยการกำหนดรูปที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วนั่นเองมิใช่ด้วยการกำหนดอย่างอื่นเพราะเท่าว่าเมื่อสิ่งที่เป็นรูปสิ่งหนึ่งหรือสองสิ่งปรากฏขึ้นมาแล้วโยคาวจรละทิ้งรูปนั้นเสียแล้วตั้งต้นกำหนดอรูปต่อไปใหม่ โยคะวจจ น, นั้นก็จะเสื่อมจากกรรมฐานไปด้วยเหมือนแม่โคที่หากินอยู่ตามภูเขามีประการดังกล่าวมาแล้วในตอนว่าด้วยการเจริญปฐวีกสินแต่เมื่อโยคะวจรทำโยคะในการกำหนดอรูปด้วยการกำหนดรูปที่บริสุทธิ์สะอาดดีแล้วกรรมฐานก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ โยคาวจร น, นั้นกำหนดขันธ์ที่ไม่มีรูปสี่อย่างซึ่งปรากฏขึ้นทางภัษะเป็นต้นว่านามและกำหนดมหาพูตธรูปสี่ซึ่งเป็นอารมณ์ของอรูปประคันสีเหล่านั้นกับอุปทายรูปของมหาพูตธรูปสี่ว่ารูปด้วยประการดังกล่าวมานี้ โยคาวจรกกำหนดธรรมะทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิสามคือท่าสิปดอายตนะ12บสองขันห้าแม้ทั้งหมดเป็นสองส่วนว่านามและรูปเหมือนเขาเปิดสมุดและผ่าลอนตาลด้วยพระขันด้วยประการชนนี้ก็ถึงความตกลงว่านอกไปจากนามและรูปเท่านั้นแล้วหามีสัตว์หรือบุคคลหรือเทวดา หรือพรมอื่นอีกไห่โยคาวจรผู้นั้นการกำหนดนามและรูปโดยรถคือหน้าที่ของมันตามความเป็นจริงด้วยอาการดังกล่าวนี้แล้วเพื่อต้องการละชื่อสมมุติทางโลกว่าสัตว์ว่าบุคคล น, นี้อย่างหนึ่งเพื่อต้องการให้ก้าวพ้นความลุ่มหลงว่ามีสัตว์มีบุคคลอย่างหนึ่ง เพื่อต้องการวางจิตไว้ในภูมิแห่งความไม่ลุ่มหลงอีกอย่างหนึ่งให้ดียิ่งขึ้นจึงเปรียบเทียบความนี้กำหนดตามหลักที่มีอยู่ในพระสุตตันต์เป็นอันมากว่านี้เป็นแต่เพียงนามและรูปเท่านั้นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลดังนี้ความจริงเรื่องนี้ นางวาชิวราภิกษุณีก็กล่าวไว้แล้วว่าความจริงเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่การสมมุติเรียกกันว่าสัตว์ก็มีขึ้นเหมือนเสียงที่เรียกว่ารถมีขึ้นก็เพราะเอาส่วนต่างๆประกอบกันเข้าแม้ท่านพระสาวรีบุตรก็กล่าวไว้อีกว่าอาวุโสเพราะอาศัยไม้เพราะอาศัยเถาวัน เพราะอาศัยดินและเพราะอาศัยหญ้าล้อมเอาอากาศเข้าไว้จึงถึงการนับว่าอาคารแม้ฉันใดอาวุโสเพราะอาศัยกระดูกเพราะอาศัยเอ็นเพราะอาศัยเนื้อและเพราะอาศัยหนังล้อมเอาอากาศเข้าไว้จึงถึงการนับว่ารูปฉันนั้นเช่นกันทั้งนางวาชิวราภิกษุณีก็กล่าวไว้อีกว่า ที่จริงทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับอุปมาณนามและรูปท่านแสดงถึงนามและรูปนั่นแลไว้ด้วยพระสูตรตันตะมากมายหลายร้อยพระสูตร ด้วยประการดังกล่าวนี้หาได้แสดงถึงสัตว์ไม่หาได้แสดงถึงบุคคลไม่เพราะฉะนั้นเมื่อส่วนแห่งสัมภาระทั้งหลายมีเพลาล้อตัวถังและงอนเป็นต้นตั้งอยู่ร่วมกันโดยอาการอันเดียวกันเพียงคำเรียกร้องว่ารถก็มีขึ้นแต่เมื่อเข้าไปพิจารณาดูส่วนอันหนึ่งหนึ่งโดยปรมัติ ชื่อขนานว่ารถหามีไม่ฉันใดอันหนึ่งเมื่อสัมภาระของเคหะทั้งหลายเช่นไม้เป็นต้นตั้งล้อมเอาอากาศเข้าไว้โดยอาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงคำร้องเรียกว่าเคหะก็มีขึ้นแต่ด้วยปรมัติแล้วชื่อที่เรียกว่าเคหะหามีไม่ฉันใดอันหนึ่ง เมื่อนิ้วทั้งหลายมีนิ้วมือและหัวแม่มือเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการอันเดียวกันเพียงคำเรียกว่ากำปั้นก็มีขึ้นส่วนทั้งหลายมีกระโหลกและสายเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการเดียวกันเพียงคำเรียกว่าพินก็มีขึ้นโดยปรมัตหามีชื่อเรียกว่าพินไม่เมื่อช้างและม้าเป็นต้น ตั้งรวมอยู่โดยอาการอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงคำเรียกว่าเสนาก็มีขึ้นโดยปรมัต์หามีชื่อว่าเสนาไม่เมื่อกำแพงและเคหะกับทั้งประตูซุ้มเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงคำเรียกว่านครก็มีขึ้นโดยปรมัต์หามีชื่อเรียกว่านครไม่ เมื่อลำต้นกิ่งและใบเป็นต้นตั้งอยู่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพียงคำเรียกร้องว่าต้นไม้ก็มีขึ้นแต่เมื่อเข้าไปพิจารณาอวัยวะส่วนหนึ่งหนึ่งด้วยปรมัติ์หามีชื่อเรียกว่าต้นมไม้ไม่ฉันใดเมื่ออุปปาทานขันห้ามีอยู่เพียงคำเรียกว่าสัตว์บุคคลก็มีขึ้น แต่เมื่อเข้าไปพิจารณาธรรมะสิ่งหนึ่งหนึ่งโดยปรมัตชื่อที่เรียกว่าสัตว์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าหามีไม่แต่ว่าโดยปรมัตก็มีอยู่แต่เพียงนามและรูปเท่านั้นแน่ละ่ะความเห็นของโยคาวะจรผู้นั้นซึ่งเห็นอยู่ดังกล่าวมานี้มีชื่อว่า ยถาภูตะทัศนะคือการเห็นตามเป็นจริงแต่ถ้าว่าโยคาวจรผู้ใดละทิ้งยถาภูตะทัศนะนี้เสียแล้วยึดถือว่าสัตว์มีอยู่บุคคลมีอยู่โยคาวจรผู้นั้นต้องยอมรับรู้ถึงความพินาตหรือความไม่พินาตของสัตว์บุคคล น, นั้นด้วย เมื่อยอมรับรู้ความไม่พินาศก็ตกไปอยู่ในฝ่ายสัตตตทิฏฐิคือเห็นว่ายั่งยืนเมื่อยอมรับรู้ความพินาศก็ตกไปอยู่ในฝ่ายอุเฉททิฏฐิคือเห็นว่าขาดศูนถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะไม่มีอย่างอื่นที่ติดตามมาจากการยอมรับรู้นั้น เช่นเดียวกับนมส้มเป็นผลติดตามมาจากน้ำนมโยคาวจรผู้นั้นเมื่อยึดถือว่าสัตว์ย่างยืนก็เรียกได้ว่าล้าหลังอยู่เมื่อยึดถือว่าสัตว์ขาดศูนย์ก็เรียกได้ว่าล้ำหน้าไปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ถูกครอบงำด้วยทิฐิสองประการพวกหนึ่งล้าหลังอยู่พวกหนึ่งล้ำหน้าไปแต่พวกที่มีจักษุคือปัญญาเห็นอยู่ภิกษุทั้งหลายอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งล้าหลังอยู่อย่างไรภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งยินดีในภพพอใจในภพเพลิดเพลินอยู่ในภพ เมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อดับภพบจิตของพวกเขาก็ไม่แล่นเข้าไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมใจเชื่อภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งล้าหลังอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แหลอนหนึ่งภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งล้ำหน้าไปอย่างไร อันเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งเบื่อนายระอาเกลียดชังอยู่ได้พบนั่นเองชื่นชมยินดีความปราศจากพบอยู่ด้วยการปรารถว่าท่านผู้เจริญเขาว่าในการใดอัตตานี้จะขาดศูนย์พินาศไปเพราะร่างกายแตกดับภายหลังมรณะไม่มีอยู่ภายหลังแล้วนั่นเป็นความสงบนั่นเป็นสิ่งประณีดนั่นเป็นความจริงแท้ ภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งลำน้าไปด้วยอาการอย่างนี้แลอนหนึ่งภิกษุทั้งหลายท่านผู้มีจักสุคือปัญญาทั้งหลายเห็นอยู่อย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้เห็นภูตตหรือพูดคือเบญจขันธ์ด้วยอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น โดยความเป็นพูดตามความจริงครั้นเห็นพูดคือเบญจขันนั้นโดยความเป็นจริงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับของพูดนั้นภิกษุทั้งหลายท่านผู้มีจักสุดทั้งหลายเห็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แลเพราะฉะนั้น ตัวหุ่นเป็นของว่างเปล่าไม่มีชีวิตเคลื่อนไหวไม่ได้ก็แต่ว่าด้วยการประกอบไม้และเส้นเชือกชักตัวหุ่นนั้นก็เดินบ้างยืนบ้างมีการเคลื่อนไหวปรากฏคล้ายกับมีชีวิตชีวาขึ้นในขณะนั้นฉันใดถึงแม้นามและรูปนี้ก็พึงเห็นว่าฉันนั้นเช่นกันเป็นของว่างเปล่าไม่มีชีวิตไม่มีความเคลื่อนไหว ก็แต่ว่าด้วยการประกอบร่วมกันละกันนามและรูปนั้นก็เดินบ้างยืนบ้างมีการเคลื่อนไหวปรากฏมีชีวิตชีวาขึ้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าว่าโดยสัจจะแล้วนามและรูปมีอยู่ในโลกนี้แต่เทวว่าสัตว์และมนุษย์หามีอยู่ในโลกนี้ไม่ นามและรูปนี้เป็นของว่างเปล่าถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหมือนตัวหุน่นเป็นกองทุกเช่นเดียวกับกองหญ้าและกองไม้อนหนึ่งนามและรูปนี้มิใช่จะพึงเปรียบเทียบให้รู้ชัดแจ้งด้วยอุปมาด้วยตัวหุ่นเท่านั้นพึงเปรียบเทียบให้รู้ชัดแจ้งด้วยอุปมาแม้ข้ออื่นๆเช่นฟ่อน ต, ต้นอ้อเป็นต้นด้วย อันที่จริงเมื่อวางฟอนต้นอ้อสองมัดพิงกันไว้ฟอนต้นอ้อมัดหนึ่งก็ค้ำฟอนต้นอ้ออีกมัดหนึ่งไว้เมื่อฟอนต้นอ้อมัดหนึ่งล้มลงฟอนต้นอ้ออีกมัดหนึ่งก็ล้มลงด้วยฉันใดนามและรูปในปัญจโวการภพคือพบมีขันห้าก็ฉันนั้นเช่นกันต่างอาศัยกันและกันเป็นไป สิ่งหนึ่งเป็นผู้ค้ำจุนอีกสิ่งหนึ่งไว้เมื่อสิ่งหนึ่งล้มไปด้วยการตายอีกสิ่งหนึ่งก็ล้มลงด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าอันว่านามและรูปเป็นของคู่กันทั้งสองอย่างต่างอาศัยกันและกันเมื่ออย่างหนึ่งแตกทำลายไปสิ่งอาศัยกันทั้งสองอย่าง ก็แตกทาลายด้วยอันหนึ่งเสียงเป็นไปคือเกิดขึ้นเพราะอาศัยกลองที่เขาตีด้วยไมย้กลองเป็นอย่างหนึ่งเสียงเป็นอีกอย่างหนึ่งกลองและเสียงไม่ปะปนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันกลองก็ว่างจากเสียงเสียงก็ว่างจากกลองฉันใด นามก็เป็นไปเพราะอาศัยรูปกล่าวคือวัตถุทวานและอารมณ์รูปเป็นอย่างหนึ่งนามเป็นอีกอย่างหนึ่งนามและรูปไม่ปะปนกันคือไม่ใช่สิ่งเดียวกันนามก็ว่างเปล่าจากรูปรูปก็ว่างเปล่าจากนามฉันนั้นนั่นแหละอีกประการหนึ่ง นามอาศัยรูปจึงเป็นไปเหมือนเสียงอาศัยกลองจึงดังขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ห้ามีได้เกิดขึ้นจากตามีได้เกิดขึ้นจากรูปและมีได้เกิดขึ้นในระหว่างตาและรูปทั้งสองอย่างเป็นสภาวะธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้น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 สภาวะธรรมทั้งหลาย hey, มีผัรษาเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากจมูกมิได้เกิดขึ้นจากกลิน่นและมิได้เกิดขึ้นในระหว่างจมูกและกลิ่นทั้งสองเป็นสภาวะธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเมื่อเขาตีกลองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นสภาวะธรรมทั้งหลายมีพัรษะเป็นที่ห้ามิได้เกิดขึ้นจากลิน้นมิได้เกิดขึ้นจากรส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 เป็นสภาวะธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเมื่อเขาตีกลองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นสภาวะธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายมิได้เกิดขึ้นจากวัตถุรูปอีกทั้งมิได้ออกจากธรรมายตนะทั้งหลายด้วยสังคตธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุเกิดขึ้น เหมือนเมื่อเขาตีกลองเสียงก็เกิดขึ้นฉะนั้นอีกประการหนึ่งบรรดาน้ำและรูปนี้น้ำมไม่มีเดชไม่สามารถเป็นไปได้ด้วยเดชของตนเองไม่กินไม่ดื่มไม่พูดไม่สำเร็จอิริยาบถถึงแม้รูปก็ไม่มีเดชไม่สามารถเป็นไปได้ด้วยเดชของตนเอง เพราะรูปนั้นไม่มีความต้องการที่จะกินอีกทั้งไม่มีความต้องการที่จะดืม่มไม่มีความต้องการที่จะพูดไม่มีความปรารถนาที่จะสําเร็จอิริยาบถรูปเป็นไปได้ก็เพราะอาศัยนามและนามก็เป็นไปได้เพราะอาศัยรูปโดยแท้แหละแต่ถ้ว่าเมื่อนามนั้นมีความปรารถนาที่จะกิน มีความปรารถนาที่จะดื่มมีความปรารถนาที่จะพูดมีความปรารถนาที่จะสำเร็จอิริยาบถรูปจึงกินจึงดื่มจึงพูดจึงสำเร็จอิริยาบถอันหนึ่งเพื่อต้องการให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดแจ้งพระอาจารย์ทั้งหลายจึงยกข้ออุปมาขึ้นเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ อันว่าชายตาบอดแต่กำเนิดหนึ่งและชายเปลี่ยนึงต่างปรารถนาจะไปยังทิศ ท, ทั้งหลายคือไปในสถานที่โน้นชายตาบอดแต่กำเนิดจึงพูดกับชายเปลี่ยอย่างนี้ว่านี่น่เพื่อนข้าพเจ้าสามารถทำกิจที่พึงทำด้วยเท้าได้แต่ข้าพเจ้าไม่มีตาที่จะใช้ดูทางราบทางลุ่มชายเปลี่ยก็พูดกับชายตาบอดแต่กาเนิดอย่างนี้ว่า นี่แน่เพื่อนข้าพเจ้าสามารถทำกิจที่พึงทำได้ด้วยตาแต่ข้าพเจ้าไม่มีเท้าที่จะใช้เดินไปข้างหน้าหรือเดินกลับชายตาบอดแต่กำเนิดนั้นก็ดีใจชอบใจยกชายเปลี้ยขึ้นจงอยบ่าชายเปลี้ยก็นั่งอยู่บนจงอยบาของชายตาบอดแต่กำเนิดแล้วบอกอย่างนี้ว่าอย่าไปซ้ายจงไปขวาอย่าไปขวาจงไปซ้าย ชายสองคนนั้นถึงแม้ชายตาบอดแต่กำเนิดก็ไม่มีเดชเป็นทุกพลภาพไม่ไปได้ด้วยเดชของตนเองด้วยกำลังของตนเองถึงแม้ชายเปลี้ยก็ไม่มีเดชทุกพลภาพไม่ไปได้ด้วยเดชของตนเองด้วยกำลังของตนเองแต่เพราะชายทั้งสองนั้นอาศัยกันและกันก็ไปไหนไปได้ฉันใดถึงแม้นามก็ไม่มีเดช มีได้เกิดขึ้นมาด้วยเดชของตนเองมีได้เป็นไปในกิริยานั้นๆด้วยเดชของตนเองถึงแม้รูปก็ไม่มีเดชไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยเดชของตนเองมีได้เป็นไปในกิริยานั้นๆด้วยเดชของตนเองแต่การเกิดขึ้นมาหรือการเป็นไปของนามและรูปนั้นมีขึ้นเพราะอาศัยกันและกัน เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้ว่าสภาวะธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งคือสังคตะาทั้งหลายทุกพลภาพอยู่ในตัวเองหาเกิดขึ้นด้วยกำลังของตนเองได้ไหมอีกทั้งทำรงอยู่ด้วยกำลังของตนเองก็หาได้ไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจของสภาวะธรรมอย่างอื่นสภาวะธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งเหล่านี้ เกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นตั้งขึ้นจากอารมณ์อื่นเกิดขึ้นด้วยอารมณ์และปัจจัยและด้วยธรรมะอื่นด้วยมนุษย์ทั้งหลายเดินทางไปในห้วงน้ําเพราะอาศัยเรือแม้ฉันใดนามกายเป็นไปได้เพราะอาศัยรูปก็เช่นกันฉันนั้นเรือลั่นไปในห้วงน้ําเพราะอาศัยมนุษย์ชันใด รู ป, ปกายเป็นไปได้เพราะอาศัยนามก็เช่นกันฉันนั้นมนุษย์และเรือทั้งสองต่างอาศัยกันจึงเดินทางไปในห้วงน้ำได้น้มและรูปก็ฉันนั้นทั้งสองต่างอาศัยกันและกันด้วยประการชนนี้การเห็นนามและรูป ตามเป็นจริงซึ่งครอบงาสัตตสัญญาคือความสำคัญหมายรู้ว่ามีสัตว์เสียได้แล้วตั้งอยู่ในภูมิที่เมลุ่มหลงของโยคาวจรผู้กำหนดรู้นามและรูปโดยในยะต่างๆดังกล่าวมานี้พึงทราบว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิคือความเห็นบริสุทธิแม้คำว่านามรูปววัฏฐาน การกำหนดรู้นามและรูปก็ดีคำว่าสังขารปริเฉตการกำหนดรู้สังขารก็ดีเป็นชื่อของการเห็นนามและรูปตามเป็นจริงนี้เหมือนกันนามรูปวัฏฐานและสังขารปริเฉตนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่านามรูปปริเฉตยานเป็นยานอันดับแรกหรือยานที่หนึ่งในยานส6ห ปริเฉทที่18ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธินิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุธทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย์แห่งสาธุชนดังนี้จบปริเชตที่18ปดคำพีวิสุธทธิมักพระพุทธโคสะเทระรจนา